ธรร ม, มชาดกแผ่นที่8ลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่6กุมภาพันธ์ 2,556 มีชื่อเรื่องว่าพระเตมีใบโนุวันนี้ ลูกหลานทางบรรดานศะ์ลูกหลานพ่อใหญ่จานบุญท่านมาทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ครับพอจานและกะ็นั่งจอกับทิดรีพวกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงทุกคนนั่นนะปู่ย่าตายายวงศงสาข า, ายาญาติมิษสหายพวกเฮาได้มาทาบุญแต่ละครั้งจะไปทาบุญอยู่ไซก็ตาม ก็ให้นอบจิตอุทิศส่วนกุศลต่อผูมีอุปการะคุณสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายผูมีอันไหที่จะดียิ่งกว่าที่พวกเราจะทําบุญนอมจิตอุทิศส่วนกุศลให้ในรักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเพิ่นกระบอกกล่าวเพิ่นตรัสไวเพิ่นว่าเรื่องพ่อแม่บุพการี บุคคลผู้มีอุปการะก่อนเราควรจะแสดงความกตัญญูกติเวทิตาอย่างไร เ, เมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทากิจทระของท่านดำรงวงศกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนะอันนี้ก็คือ เพิ่นหลวงลับไปแล้วกระโบเมตรีปอย ป, อยปะแล้วเลยเฉยเมื่อยเพราะเพิ่นบุญคุณของเพิ่นที่ถ้ำไวก้กระเพ้าเนียยังมีอยู่เอผ้าธรรมะค้าขายผ้า ท, า, า, ก า, า, า, ทากิจการงานคุณงามความดีของเพิ่นเน่ยยังมีอยู่ เ, เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานบุญคุณของเพิ่นเน่ยยังมีอยู่อพวกเข้าคนจะแสดงความกระตันยู่ ความมีใดที่จะดียิ่งกว่าการทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้เพลินเพราะนั้นบางครั้งเมื่อมีโอกาสเฮ้าก็ได้ทาบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้เพลินเพราะทัางร่างกายของเฮาตั้งแต่ศีรษะจนถึงจดเท้าเฮ้าได้มาจากไผมาจากพ่อแม่และก็บพกเพลันที่เลี้ยงดูเฮ้ามากจนเฮ้าเป็นผู้ใหญ่ถึงขนาดนี้ละ ก็โดยบุญคุณของเพลินติบเพลินเลี่ยงมากเมื่อจากไปก็ทายาทของเฮ้าก็คือลูกหลานของเฮ้าเฮ้าก็ได้เลี้ยงเขาต่อไปเมื่อเขาเห็นเฮ้าทําคุณงามความดีลูกหลานก็ถือเฮ้าเป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างต่อไปพาา่ายภาคหนากันว่าเฮ้าเฮ็ดบอดีลูกหลานของเฮ้าเขาก็เฮ็ดบอดีกับเฮ้าขึ้นกัน ยังคู่บาอาจารย์เคยกันอย่างพระสงฆ์เน่ยท่าหากว่าปฏิบัติคู่บาอาจารย์โดยความเคารพเชื่อฟังขานาว่าเข้ามาเป็นคู่บาอาจารย์อย่างหลวงพ่อนี่เคยอ่อนน้อมทอมตนกับคู่บาอาจารย์เคยปฏิบัติเพินอย่างใดเมื่อออกมาเป็นหัวหนา้าก็กล้าพูดกล้าแสดงพอเหตุใดเพราะตัวเองเคยทํา กับคู่บาอาจารย์มาแล้วคันว่าเห็นลูกซิดลูกหาเขามากเก๋ๆกังๆเลยเออหลวงพ่อจะบอกให้ท่านที่เลยใดเพราะเหตุใดเพราะว่าตัวเองตัวของเฮ้าเองเนี่ยเคยปฏิบัติกับคู่บาอาจารย์มาแบบใดแล้วคู่บาอาจารย์สอนมากแบบใดเล่าก็ยึดแนวแถวที่คู่บาอาจารย์สอนต่อไปไา่ภาคนาลูกของเฮ้าหลานของเฮ้าลูกซิดลูกหาของเฮ้า เขาก็จะได้ปฏิบัติตามเดินตามแนวแถวที่เข้าผ้าปฏิบัติเป็นแบบฉบับอันนี้คือกันเมื่อเข้ามาได้รู้จักได้ฟังธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเข้ากับเข้ารบปฏิบัติตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เพิ่งว่าเมื่อพ่อแม่เลียงเข้ามาแล้วเลียงท่านตอบธรรมกิจธุระของท่านดํำรงว่องสกุล ประพฤติตนให้สมควรควน ร, รับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงรับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนะอันนี้เคคือบุตรธิดาบุตรชายบุตรสาวบุตรหญิงบุตรชายมีเป็นนาทีในเมื่อเข้าทําดีเป็นตัวอย่างลูกของเข้าเข้าขยึดเป็นแนวท่างต่อไปไพ่ภาคหน้าอันนี้มันเป็นทางที่ดี กระทั่งที่บดีก็มีการเนระคุณโบจักบุญคุณของพ่อแม่อ น, นั้นเป็นว่าเป็นบุคคลที่บดีในหลักของพุทธศาสนาะเพราะนั้นก็ให้พวกเข้าลูกหลานทุกู่ทุกคนไนดะ้เกิดมั่นใน พ, พระพุทธศาสนาะตายแล้วบ่อสูญตายแล้วเกิดอีกอย่างพระพุทธเจ้าเป็นสอนไว้เป็นตรัสไว้พ่อแม่คู่บาตรย์นลงปูลงตาพรนก็สอนไว้จังสัน ถ้าหาว่าพวกเขาอยากจะฮู้กับผมีผ่พวกได้ามโมแมน็นิตรับหูรับตาเอ้ยไผสีเฮีย น, นยไดกเฮียนไปต่อเฮียนหนังสือเฮียนไปกไปยังสันละเสียงกันเสียท่องเลยสิ ก, กับวาวกัแมน ย, ยูแต่ว่าผูเ้เฮียนเขาหูเขาฉลา ด, ดเด้เขาอ่านได้ภาษาอังกฤษภาษา ย, ยงเขากระ่านได้คนโบหูโบเฮีย น, น ก, กับว่ากับวาได้ แต่มันก็โง่ไปน่ะเหมือนกับตาบอดเหยียบน้าไปยัง่งล่ะเบาไปเรื่อยคือกันกับตาบอดเหยียบน้ําไปเรื่อยหนามันบุหรี่ตาบอดขึ้กันอันนี้คือกันความโง่มันบุหรีคนโบหูคือกันออคนที่โบหูความโง่มันบุหรีคือกันเพราะนั้นการบุญการกุศลก็เช่นเดียวกันถ้าว่าเฮาอยากจะรู้เราก็ต้องศึกษา ศึกษาแล้วก็ลงมือปฏิบัติถ้าลงมือปฏิบัติเราจะย่อมรับกันแต่ทางว่วาร์ได้ลงมือปฏิบัติเนี่ยก็ต้องสงสัยความสงสัยจุดนี้จะัยเป็นผู้แก้กรนอกจากตัวของเฮาเองจะเป็นผู้แก้เอาพูดเป็นภาษากลางนะพ่อมีพระลูกหลานมาจากวัดบรวรวลืมคิดถึงเหมือนกัน ในหลักของพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าสอนพวกเราท่านทั้งหลายถ้าอยากจะรู้ให้ปฏิบัติถ้าจะเรียนรู้เฉยๆไม่ปฏิบัติก็จักแต่วรู้เหมือนกันเราดูแผนที่อย่างนั้นน่ะถ้าเราดูแผนที่แล้วแปลว่าจบแผนที่แล้วก็จบทุกอย่างไม่ใช่แผนที่เป็นแนวทางในเมื่อเราดูแผนที่แล้วก็เราก็เดินไป สู่จุดหมายปลายทางจึงจะถึงจุดหมายปลายทางได้แต่เราจะดูแต่แผนที่เฉยๆเราก็รู้รู้ได้แต่แผนที่เท่านั้นเองนี้ก็เหมือนกันเราดูตำรับตำร า, า, า, าพระพระไตรปิฎกพอจบอ่านตำรับตำราจบแล้วแต่ถือว่าตัวเองจบเลยมันไม่ใช่อันนั้นเพียงแต่ว่ารู้ในตำราเท่านั้นเองแต่เราจะจะรู้จริงต้องลงมือปฏิบัติ พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านตรัสไปว่าทำคําสอนของเราผู้ที่ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ถ้าไม่ปฏิบัติจะรู้ไม่ได้เพียงตะรู้ตามตำรับตาราเพราะนั้นในหลักของพุทธะที่พระพุทธเจ้าสอนว่าตายแล้วเกิดนะนรกสวรรค์มีจริงนะบาปุลคุณโทษมีจริงนะมรรคผลนิพพานมีจริงนะ แต่เราได้ได้ยินแล้วตายแล้วเกิดเท่านี้เราก็ยังสงสัยแล้วลว่าเกิดจริงหรือเปล่าอ่ะถ้าว่าเราได้ปฏิบัติลงมือตามปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าที่ท่านค้นคว้าศึกษาพระพุทธเจ้าท่านไปนั่งอยู่ที่คโคลนต้นโพวันเดือนหกเพนวันที่คืนตัดสรูน่ะเนาะปุบเพนิวาสานุจติญาณพระพุทธองค์ทาจิตใจให้สงบ จิตใจให้เป็นหนึ่งพอจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งพระองค์ร้ลึกชาติผลหลังได้ยกว่าปุกเพย์ในวาสานุสติยานละลึกชาติผลหลังได้เนี่แหละทำไมจึงละลึกชาติผลหลังได้เพราะทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งเกิดยาณรัศนะในขณะนั้นเมื่อเกิดญาณรัศนะจิตสงบ ในขณะที่จิตสงบเพราะว่าจิตสงบเกิดฌานฌานเป็นผลพลอยได้จากสมาธิต้องทาจิตให้สงบซะก่อนเมื่อจิตสงบแล้วเกิดยานัทสนะเกิดฌานเ่อเกิดฌานขึ้นมาแล้วล้ำลึกชาติผลหลังได้เนี่ยถ้าหากว่าคนเราเกิดมาชาติเดียวจะลําลึกชาติผลหลังได้อย่างไงอันนี้พระพุทธเจ้าท่านล้ลึกชาติผลหลังได้ กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติถ้าเราศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วพระพุทธเจ้ามีที่มามีที่ไปการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญเมื่อไรท่านได้รับพยากรเมื่อไรชาติไหนที่ท่านบำเพ็ญที่มีประโยชน์มากที่สุดในการบำเพ็ญของพระองค์เนี่ยบางชาติก็ชาติไหนที่เปล่าประโยชน์มากที่สุด ก็มีบางชาติท่านก็ไปทําความชั่วตกนรกหมกไหมก็มีไม่น้อยอีกเหมือนกันแต่บางชาติทําคุณงามความดีก็ไปสู่สวรรค์ไม่น้อยอีกเหมือนกันแล้วเปรียบเทียบได้ไหมเปรียบเทียบได้อย่างพระเตมียะยพระเตมียะเกิดมาทําไมพระพระเตมียะจึงไม่พูดท่านจึงไม่พูดเพราะพระเตมียะเนี่ยชาติที่แล้วน เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินพอเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาก็ขึ้นบรรลังสมัยนั้นกฎหมายอยู่กับพระเจ้าแผ่นดินทั้งหมดสั่งกุดหัวใครก็ได้สั่งประหารสั่งอะไรจำคุกจำอะไรได้ทั้งนั้นอยู่กับพระเจ้าแผ่นดินเพราะเป็นผู้ปกครองแบบเบ็ดเสร็จเหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินเป็นใหญ่ในแผ่นดินไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างทุกวันนี้ ตอนนี้พอผู้ใหเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินเวลาคนขึ้นมาเนะะี่ยควินิจฉัยพอวินิจฉัยนะะเนี่ยคอ้าวไปตัดคอตัดทิ้งประหารแต่ในการที่ประหารของแต่ละคนนะบางคนมันไม่ถึงกับประหารแต่ว่าคนที่มาหาเรื่องใส่เนี่ยไอ้ค่ายพดเอาคดีความให้มันถึงก็โทษประหารเพื่อจะได้ชะใจ แต่พระเจ้าแผ่นีินก็ขาดความรอบคอบแต่นี่ก็สั่งประหารเออมันไม่ใช่น้อยทีตอนีก้การทํำบาปการสั่งสมบัติบาปทีละน้อยละน้อยเลยเออความชั่วจะทํำซะเลยดีกว่าเพราะความชั่วนั้นย่อมเาผาผลาญให้โทษภายหลังแต่ขณะที่ทําพระเจ้าเป็นดินก็สั่งเออให้ทําให้ฆ่าเอแต่ไม่ไปถึงโทษกับฆ่าบางทีมหาเรื่องเสีกันเฉย ใครจะไปรู้เห็นไม่ได้สืบสอบรายละเอียดเนี่าวัะนั้นทาโทษคนพอตายจากชาตินั้นนะพระเจ้าไปดินก็ตกนรกเหมือนกันนะไปตกนรกถึงถึงแปดหมืนปีพอใช้กรรมการกระทําของตัวเองบาปกรรมให้ผลไปตกอยู่นนรกถึงแปดหมืนปีพอขึ้นมาจากนรกนะมาเกิดมาเกิดเป็นลูกพระเจ้าเป็นดิดอีก พอเกิดมาเป็นลูกพระเจ้าเป็นนินพออ้อแอเนี่ยพระบิดาก็รักลูกชายเอาลูกชายภาษาบ้านเราก็คือนั่งบนตักที่นั่งวินิจฉัยคดีความนีคือนั่งบนพระเพลานั่งบนพระเพลาคือนั่งบนตักพระเจ้าปเป็นเองก็สั่งวินิจฉัยนะขอนี้โทษประหารต้องโทษจำคุกเท่านั้นปีเท่านี้ปี ลูกชายที่นั่งอยู่บนตักที่นั่งอยู่บนพ่อเพลาโอ้โหตายข้าเกิดมาชาตินี้มาเกิดเป็นพระเจ้าเป็นนินอีกแล้วรละลึกชาติทนหลังได้เลยได้สินี่เด็กคนนั้นเพิ่งเกิดใหม่เอชาติก่อนแล้วก็ตกนรกถึงแปดหมืนปีมันรู้เท่าไหร่อแต่มาค่าวนี้จะเอาอีกแล้วเนี่ยเกิดมาพระเจ้าเป็นดีนอีกเขาคงจะลงนรกอีกโอ้ยข้าไม่เอาแล้ะข้าขอตายดีกว่าฮนะ ใคราว่าท้อประไทยขนาดตัวเล็กๆนอนอยู่ที่เพราๆนะแต่ตัวเล็กก็จริงอยู่แต่หัวความรู้นะมันไม่เล็กนะความรู้สึกนะมันไม่เล็กมันเห็นไฟในรลกไหม่กลัวอยู่ตลอดแต่นี้เทวดาที่รักษาสวีดชัดอยู่ในพระราชวังที่เคยเป็นแม่ของพระกุมารมาก่อนในอดีตท่านก็แสดงตนให้ปรากฏให้เห็นแต่เฉพาะ กุ ม, มารที่นอนแบ่เบาเนะี่ยแม่ก็เลยบอกว่าลูกเอ้ยลูกอย่าไปใจน้อยเถอะนะมีทางออกอยู่คือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะลูกทำตัวให้เป็นใบไม่พูดไม่ร้องให้ไม่อะไรทั้งหมดไม่ขอไม่งองแงอะไรทั้งหมดลูกจะได้ดีต่อไปภายภาคหนะ้าไม่ต้องคิดสั้นหรอกไม่ต้องคิดฆ่าตัวตายนะลูกนะ เออนั่นแะพระเตมียะพ่อแม่สั่งเท่านั้นแหละตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาออถึงจะหิวกะหายังไงไม่เลียกไม่ร้องไม่อะไรทั้งหมดเหมือนกับเป็นคนง่อยเปียเสียขาเออนั่นแหละเพราะอะไรเพราะ ก, กลัวนรกทท่านบอกกลัวนรกขนาดที่เขาเอามดแดงไฟมาโปรโยใสให้มันกัดให้เด็กตัว น, นี้ร้องให้ก็ไม่ร้องบอกโอ้ยไฟนรก ไฟนรกใหม่ค่ะร้อนกว่านี้มดคนาดอินี้มันกัดฮะพวกสัตว์เอาปล่อยสัตว์ที่ดุร้ายมาบอกเอ้ยหอกแหลนหลามปยาจมเนะ่มากกว่านี้ยาวกว่านี้เขามาแทงฆ่าเราเมื่อตกนรกค่ะคล้ายๆว่ามองดูแล้ว เ, เขาไปตากแดดแดดร้อนขนาดนี้มันไม่เหมือนกับไฟนรกไฟนรกใหม่ร้อนกว่านี้ฮะนั่นแหละเตมิยะ ที่ท่านสวยปพระชาติที่เป็นเตมิญาเนี่แหละพระพุทธเจ้าระลึกชาติผลหลังได้เพราะว่าการกระทําสรุปก็คือการกระทําการทําดีและการทําชั่วถ้าว่าทําชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วนั่นจะให้ผลตามเมื่อภายหลังถ้าเราทํากรรมดีกรรมดีจะให้ผลตามเมื่อภายหลังนัสรุปแล้วคือหลักของพุทธศาสนาเนี่ยตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกบาปปูนคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริง อันนี้เรารู้ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกท่านกล่าวในพระไตรปิฎกแต่เราอยากจะรู้เราจะทํำยังไงครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านบอกว่าให้นั่งสมาธินะถ้าอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดนรกสวรรค์มีจริงหรือมันให้นั่งสมาธินะนั่งขาขวาทับขาซ้ายอย่างพระพุทธลูปนั่งจากนั้นมือขวาทับมือซ้าย ให้กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกร้วาหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตใจของเราปุ่งฟุ้งไปทางอื่นไม่ให้คิดไปทางอื่นในขณะที่นั่งถ้ามันไปก็ดึงมาให้ทั้งสติให้เข้มแข็งบังคับจิตให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งคืออารมณ์ที่ปลายจมูกเท่านั้นเมื่อเร า, บ, ารบังคับหรือว่าเราใส่ใจ เรื่อมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกใจของเราจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งละถึงเราจะไม่เกิดยาณรัศนะก็เถอะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายของเราเนี่เหมือนกับรถใจของเราเนี่เหมือนกับคนขับรถเห็นได้ชัดรถกับคนขับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันรถจะขยับขยื่อนไปได้ต้องอาศัยคนขับนี้ก็เหมือนกันร่างกายของเราเนี่ยจะขยับขยื่นไป พูดได้อะไรได้ต้องมีวิญญาณคือใจเข้ามาครองสิ่งแต่วิทยาศาสตร์การแพทย์การอะไรทุกวันนี้ออมาถึงแต่สมองบนศีรษะสมองเป็นผู้สั่งการแต่เขาหารู้ไหมว่าผู้ที่มาสั่งสมองนั้นคือใครสมองเนะ่ะเมือเครื่องคอมพิวเตอร์ติดอยู่บนศีรษะของเรา แต่คนที่มาใช้สมองนะ่คือใครอันนั้นเขาจังมองไม่เห็นเพราะมันเป็นนา ม, มาธรรมแต่พพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาเห็นแล้วบอกว่าตัวที่มาใช้สมองนะั่คือวิญญาณคือใจตัวนั้นหละตัวสาคัญตัวการใหญ่ละตัวนั้นละสาคัญตัวที่มาใช้สมองมากดคอมพิวเตอร์นนะคนนั้นแหละสาคัญพระพุทธเจ้าให้ความสาคัญคนนั้นคนที่มากดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะั้น นั่นแหละท่านจึงบอกว่ามโนปุพังขมาธรมามโนเศรษามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจถ้าจะว่าพูดเป็นภาษาอีกส่วนหนึ่งก็ว่ารถทั้งหลายมีโซเฟอร์เป็นใหญ่มีโซเฟอร์เป็นหัวหน้าสำเร็จด้วยโซเฟอร์โซเฟอร์จะสั่งให้ไปที่ไหนรถคณะเขาไปตามที่โซเฟอร์สั่งเท่าที่รถคณะจะไปได้ แต่ให้รถคันนั้นลุยน้ำก็คงไม่ได้เพราะมันเหลือวิสัยฮะเอกระโดดหน้าผาก็คงไม่ได้กระโดดท่างถนนก็คงไม่ได้มันเหลือวิสัยฮแต่โซเฟอร์ถ้าจะให้ไปตามที่โซเฟอร์ต้องการสิ่งที่รถคันนั้นมีความสามารถที่จะไปได้รถคันนั้นก็ไปได้ตามที่โซเฟอร์อยากจะให้ไปอยากจะให้มันชนคนก็ได้อยากจะให้มันเหยียบสัตดก็ได้บีบแกให้มัน เสียงลั่นดาคนไปก็ได้เพ่อะอหละเพราะว่าใจคนนั้นแหละโซเฟอร์คนนั้น่ถ้าโซเฟอร์มันไม่ดีมันรถคันนั้นก็เกเรไปด้วยเหมือนกันถ้าโซเฟอร์ดีอรถคันนั้นก็มีนิสัยมรารยาทที่ดีรู้จักหลบรู้จักหลีรู้จักให้อภยัยเห็นสัตว์สาลารสิ่งไปก็ไม่เหยียบไม่ชนอะ่ะพราะอะไรเพราะโชเฟอร์มีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีนะนี่ก็เหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้า ท่านยังบอกต้องอบรมใจต้องอบรมโซเฟอร์ถ้าอบโซเฟอร์มีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมดีแล้วการพูดก็ดีการกระทาก็ดีจะไปในทางที่ถูกต้องจะไปในทางที่ดีนี่แหละหลักของพุทธศาสนาท่านเน้นลงที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเพราะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนทุกๆ ท, ท่านนะ หลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเน่ยตายแล้วไม่สูญพูดอย่างนั้นได้ตายแล้วเกิดอีกโซเฟอร์นั่นแหละจะพาไปเกิดแต่รถคันนี้ตายแตกสลายเข้าไปอยู่ในพงหญ้าแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นอรถหมดสภาพเห็นไหมไปจอดจะตามพงหญ้าทิ้งอย่างนั้นแต่โซเฟอร์ไม่ได้ไปทิ้งนะโซเฟอร์ไปที่อื่นะเออแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านอีกพูดดีว่าโซเฟอร์เมื่อได้รถคันนี้มาแล้วนะ ถ้าโซเฟอร์ลืมตัวโซเฟอร์ออไม่สอดแสวงหาทรัพย์เมื่อเมื่อรถคันนี้เก่าสารุดุดโทมไปแล้วโซเฟอร์ไม่มีปัญญาที่จะหาซื้อรถคันใหม่ได้อีกเพราะอะไรเพราะโซเฟอร์ไม่ได้ขนขวายไม่ได้หาทุนนี้ก็เหมือนกันพวกเราเกิดมา เ, เกิดมาแล้วนะในร่างกายนี้แล้วไม่ได้สอดแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจ ไม่ได้ทำบุญไม่สร้างบุญไม่ได้สร้างกุศลมีแต่สร้างบาปอากุศลเข้าสู่จิตใจพอตายออกจากชาตินี้พอร่างกายตัวนี้แต่ตายสลายลงไปวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วนะพอไม่ได้ทำบุญอาจจะไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่เป็นสัตว์ช้างมาวัวควายเป็นได้ทั้งนั้นแต่ถ้าว่าวิญญาณที่เราเกิดมาแล้วเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจ ออกวิญญาณออกจากร่างนี่แล้วไปสู่สวรรค์ชั้นพรมให้ไปเป็นเทวบุตรเท ว, วดาเป็นพระหรนั้นได้ทั้งนั้นนะเพราะอะไรเพราะว่าใจดวงนี้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพโบนั้นคอยพวกเราทุกๆท่านนะให้มองดูดตนเองท่านี้เราประมาทมากน้อยแค่ไหนเราใส่ใจแค่ไหนเราสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจมากน้อยแค่ไหนหรือมีแต่ละวันมีแต่ทิศแต่ทําความชั่วอยู่ตลอดคิด ชั่วทำชั่วพูดชั่วอยู่ตลอดอย่างนั้นใช่ไหมเรียกว่าคิดดีทำดีพูดดีอยู่ตลอดอย่างนั้นใช่ไหมเรียกว่าบางครั้งก็ชั่วบ้างบางครั้งก็ดีบ้างยังบางครั้งก็ทำชั่วบ้างบางครั้งทำดีบ้างพูดชั่วบ้างพูดดีบ้างอย่างนั้นใช่ไหมไอ้คำบ้างทั้งสอง ส, สองบ้างเนี่ยบ้างไหนมากกว่ากันฮหไม่มีใครที่จะรู้จริงกว่าพวกเราท่านทั้งหลายให้พวกเราท่านทั้งหลายจับตรวจตรวจตราดูตนเองนะทีนี้นะต่อเ น, นี้ไป คณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร